นักมูัสสะพะควตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนมูัสสะพะควตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนมูัสสะพะควตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัสสะพะควต อรหันตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นอันนี้ก็เราได้ทําสการะปูชาคุณพระพุทธเจ้าซึ่ง พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสง์อยู่ที่ใจเมื่อเราจะปฏิบัติก็ทำอย่างนี้แหละทุกทุกทุกๆครั้งเอามือลงอไว้ที่หน้าตักมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกรงวันนี้จะนำจะนากรรมฐาน ตั้งแต่ผมขมเล็บฝานนั่งเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกฝังผืดตัดบาปอดอันนี้เราก็จ ะ, ะปฏิบัติซึ่งคุณลักษณะของพระองค์ึ่านเลยทรงแนะนำซึ่งอาการสรัพริดองและจะบิดนะแค่นี้พอแล้วนะ ไม่ต้องให้ดังเลยเกินเนาะแค่นี้ก็พอแล้วที่นี้เราเจ้ก็จะทำการกำหนดกายใจของเราเราขัดสมาธิลงไปแรงเป็นองค์พระสมาธิคือขาวขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา หับมือซ้ายตั้งกายตรงจํลงสติให้มันเราก็จะได้พิจารณาองค์พระของเราจะได้ชัดขึ้นเพราะอำนาจบารมีธรรมก็จะได้มีขึ้นกับเราซึ่งเราหลับตาลงแล้วก็เพื่อจะให้จิตเนี่ย ไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่ก็จาเพราะตนของตนเพราะอนุภาพนี้ก็พึงจะได้มีกับเราซึ่งตือที่เรว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงอยู่ที่ใจ อย่างนี้เราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นๆเราก็ใช้ตาเมองดูที่ผมของเราตั้งอยู่บนหนังศีรษะทำความรู้เห็นทำความรู้เห็น ไม่เห็นก็ทำความรู้เพื่อพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่เราจะได้มามองดูกายใจของเราใจสบายก็รู้ใจสงบก็รู้ กายสงกกรุกายกับใจนี้เป็นคนละอันเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติทุกขเวทนาอยู่ที่กายทุกขเวทนาอยู่ที่กายกเวทนามีความทุกข์มาก มีความสุขมากสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาสิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ห้าทั้งนั้นเป็นขันธ์ห้าทั้งนั้นทีนี้เราจะเข้ามากาหนดรู้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้า พุทโธโลเกพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมก็เกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกสามรัษณะนีก็มีขึ้นพระองค์เป็นผู้ทรรมให้เกิดขึ้น แล้วเราก็จึงพยายามปฏิบัติตามซึ่งมาทำความกัลณูธรรมของพระพุทธเจา้าบ้างคือขวาขวาทับขาซ้ายตั้งกายกลมอุชุกกายยังตั้งกายกลมจำมุงสติให้มันพยายามฝึกฝน เพื่อจะดื่มรถสัจธรรมคำคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามดื่มกันว่าพระท่านบวชท่านให้กินนมูสิ mm hmm. เนี่ยคือเราเน่กำลังกินกำลังดื่มนมูอยู mm hmm. ่เพื่อจะได้ประสรูธรรม เพราะเรานี่ก็แก่กันไปแล้วและความเจ็บก็ตามเข้ามารู้รู้ที่นี่เราเป็นผู้อย่างอื่นไม่มีที่พึ่งมีแต่ประกุปตามประสงค์เท่านั้นแล้วจึงจึงเรี่ยวกว่าเจริญพระกรรมฐานภาวนานี่ ตร้งมันคันติความอดทนกำหนดผมผมมองดูที่ผมกล่กนกลนขึ้นรั่วขึ้นทั่วสารพังร่างกายของเราทำกำหนดรู้เห็น ทำความรู้เห็นเล็บคืออยู่ปลายนิว้วเรากําหนดรู้เล็บอยู่ปลายนิว้วกําหนดรูฟันอยู่ในปากของเราทําความรู้เห็นทําความรู้เห็นว่าฟัน อยู่ในปากมีหนังหุ้มโดยเราควรกำหนดรูแล้วก็กำหนดตามนะอัตมาจะนานําให้ดูกรมมฐานกรมมฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งของของจิตใจ <c oughs> กรมมฐาน นี่ห้ากองนี้ผมคนเล็บวัดนังหุ้มโดยรรบปันนี้อยูบบ่ในปน่านังหุ้มโดยรับเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอยู่ภายในกำหนดตาม กำหนดตามที่อัตมานำเที่ยวกรรมฐา น, นกำหนดหัวใจห้อยอยู่ในกลางกายกำหนดรูเหตุกำหนดรูเหตุตับปอามา ทำความกนดรูเหนนำเที่ยวนำเที่ยวในกายนครขอนำเที่ยวในกายนครอนี้กองนี้ไม่ไม่สวยไม่งามไมาทำความรู้ว่าเราเรานั่ง อยู่กับองค์พระกรรมทานอยู่กับองค์พระกรรมทานคือกายใจของเรานี่เอ ง, เ, องเราได้ขัดสมาธิลงไปแล้วแก่ทำความรู้เห็นให้มีความเฉลียวฉลาดในอัตถะและธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้รู้แจ้ความจริงในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าพิจารณาที่กำหนดแห่งใิโลกสัจธรรของจริงอยู่ที่วางคิวอยู่ที่วางคิวธรรมะ เป็นเครื่องเจริญใจธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจพวกเราควรจะต้องเห็นความเสื่อมกเกาแล้วความแก่เข้าความครอบงำความแก่กเข้าครอบงำเกาเราเห็นแล้ว เรารู้แลเราที่นี้ก็จะเปลี่ยนที่เสื่อมลงไปเต็มที่แล้วความแก่เขครับกันแล้วที่นี้เราจะหยับยังจิตใจให้เข้าถึงความเจริญเต็มที่แล้วที่เรานั่งกรรมฐานอยู่เพื่อ มีสติสมทัญญะทำความรู้เห็นทำสติสมทัญญะให้ตื่นขึ้นในในจิตใจของเราทำทัศนะให้เกิดมีความเห็นขึ้นมีความรู้ขึ้นนาะกที่เราได้กำลังทากันเนี่ย เพื่อจะยังจิตใจให้กระจืรูอรับ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตึงว่าเพลงเพลงตัวของตนให้เห็นพรกรรมฐานนี่เจริญปัตติปัสสนาญาณพยายามยังไม่รู้ไม่เห็นก็ทงขึ้นให้รู้อยู่กับการใจของเรา นก็จะไดม้มีขึ้นกระเราเราเพียได้รู้คำสอนของพระว่าพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้พระธรรมเข้าไปเห็นอย่างนี้พระอริยส่งท่านปฏิบัติเพื่อหลุดพลลุดพลไปด้วยวิธีนี้แล้วทีนี้เราก็จะมีการเ อ, อิบอพิม ในใจของเราก็อึดอิ่มขึนม้นก็จะมีปีติในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็เป็นความเบิกบานก็จะ ม, มีขึ้นในกายใจของเราแม้เราจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่เราก็เป็นผู้สมรู้อยู่ในสิ่งอยู่เสมอ อยู่ที่กายว่าใาใจเราก็พยายามรวมอยู่มีสติสมัญญะความรู้ถันอยู่ในมาครั้งนี้ก็เพื่อมาฝึกขัดในปฏิปทานสีอาตมาก็เป็นผู้แนะนำญาติโยมเพื่อให้รู้จัก ในปฏิปทานรีทุกเกิดอย่างนี้ควรกำหนดรู้ทุกในของทนได้ยากพระองค์ทรงแนะนำพวกเราจึงเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทุกเงินดับไปสุขก็เกิดขึ้นทางกาย ก็เกิดขึ้นทางกายอีกผู้เจริญกรรมฐานก็รู้สุขรู้ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละแล้วนักเข้านักเข้าก็รู้รู้นักเข้าก็จะมีการเบื่อหน่ายมีการเบื่อหน่ายต่อสังขารขึ้น สังขารนี้เป็นสภาวะทุกข์ติงเดีอบว่าเราปฏิบัติทุกขเวทนานี้สุขเวทนานี้เราควรรู้อยู่ทุกขณะเมื่อรู้รู้หนะักข้าแล้วปัญญายาญก็จะเกิดใหม่ขึ้นแล้วในพิธายาณความเบื่อหน่ายต่อสังขาร ใครว่าจ ะ, จะปฏิบัติให้ผลทุกเมื่อจิตใจใน้สงบดีแล้วจากในวรห้าแล้วทีนี้ก็จะประกอบเดินองห้ามีวิตกโผล่ขึ้นจากดินก็ขึ้นถึงที่ของตัวเองเลยเมื องก็เห็นว่ากลคยลายเหมือนจะโดดเข้ามานี่เพราะที่นั่งนั่งอ่นั่นอนะ่ะสำเน็จเดรดเนี่ยเห็นกันนุ่ไมไม่เหมือนกันเลยเพราะอย่างนั้นเมื่อเราขี้เกียจขี้คานแล้วเราขอให้นลึกกึงผู้วิเศษขึ้นให้บ่อย เราก็จะต้องสำเร็จขึ้นมาได้เหมือนกันเนี่พราะอันนี้แหละดีกว่านึกอื่นๆนึกถึงผูสมเด็จนี่แหละเราเป็นที่สบายกายสบายใจของพวกเราพระพระุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าอาตมาก็ได้ฝังธรรมมัมเทสนา งพ่อมาทองนนบอกว่าให้ทัศนะความรู้ว่าพระองค์ที่ท่านละแลให้ความรู้ไ ว, ว้กับราุบอกเธอท่านนี้คนผ่องเสียงก็้าเกิดมีความตัวขึ้นสะดงว่าเสี่ยวให้ระลึกถึงเแาระลึกถึงพระพุทธเจ้า และลึกถึงพุทธเทวดาและลึกถึงครูบาอาจารย์ให้มักมากกับความตัวจะหายไปแล้วพวกเราาที่อาตมากล่าวเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้และลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นและลึกถึงครูบาอาจารย์ให้มากขึ้นและลึกถึงเทวดาที่มาตกปรักรักษาเรา ก็จะมาปรากฏขึ้นแล้วความกลัวนี้จะหายไปนี่เมื่อมีความกลัวนี้เพิ่งรู้จักว่าเรานี่จิตใจปราศจากสมาธิแล้วุประลาศเราก็เลิล่ึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นธรรมะนี่ก็เกิดขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นเราก็จะควรจะกัสรูธรรมของพระองค์ อันนี و و و ้อาตมาจะขอแนะนําซึ่งการจะออกจากสมาธิแล้วการเข้าสมาธิเข้าสมาธิก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจหมกจาการว่าเอาหัวใจเนี่ยเป็นเป็นธรรมะที่ดี ที่เอาไว้ต้อนรับประพุตธเจ้าให้ให้มาประทับอยู่ที่ใจเราปีติปราโมทก็จะได้กเกิดขึ้นทางใจของนักปฏิบัติแล้วทีนี้การจะออกจากสมาธิอาจจะมาจะแนะนำเราให้ทำตาม <c oughs> ซึ่งจะออกจากสมาธิแล้วท กาทำที่บ้านเราจะได้รู้จะได้ทำจะออกจากสมาธิใช้มือคว้าออกก่อนลากติดไปกับที่นาตักที่เวาฝึกสมาธิจะนั่งนานหรือนั่งเร็วก็ตามเวลาะจะออกสมาธิออกให้เคยให้ออกให้เคย ในการออกจากสมาธิหมายการว่าเรานั่งกรรมฐานเนี่ยฝึกใจเพื่อเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอแล้วเราจะได้มีสติสมัททัญญความรู้ตัวอยู่ใช้มือคว่านเนี่ลากลากนาตาแล้วเราก็หลับตาและใช้มือมอง มองไว้ที่มือให้เห็นถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปจันพลิกพลิกยังพระสะดุงมานเอามือเป็นเดี่ยวไว้ที่เข่าขา้อเน่าไปสักพักหนึ่งหรือห้านาทีสิบนาทีเพื่อเอ่าจะได้รู้ว่า น้องทีพอเอามือคว้าออกไปแล้วประกอบไว้ที่เขาอย่าสงกไปตั้งห้านาที1ินาทีก็ได้แล้วใช้คความรู้เอามือซ้ายออกแล้วค่อยๆออกไม่ออกไปเหนียวรังไว้ที่เขาเข่าซ้าย เนเดียวเราก็เอามื่อคว้าไปเนี่ยไว้ที่หัวเขา่าแล้วค่อยๆค่อยๆลากเลยาำความรู้เห็นมือมีความรู้เห็นนี่แหละเอเราจะสร้างสร้างทัศนะให้เกิดขึ้นทางทางตาแล้วที่ทางตาอย่างไม่เกิดก็สร้างทัศนะทางใจ ซึ่องความรู้สัมผัสปลีกกายแล้วก็ใช้มือเกาะเข่าไว้ทั้งสองข้างทำใจสบายสบายทำใจให้สบายสบายแล้วไปที่บ้านเราก็พยายามทำอย่างนี้อยู่เสมอเสมอทีเดียวแล้วก็เราผู้ใดไม่ขี้เกียจขี้การผู้นั้นเป็นผู้รักตัว และทำตัวให้คุณออกจากทุกได้บางครั้งเนี่ยยานทัศนะจะเกิดในอิวิยาบทที่เราออกจากสมาธิแล้วแล้วทีนี้เราออกเอามือคว้ามือซานมาเกาะไว้ที่เขานุ่งที่การมันจะเบาใจจะเบาเราเพียยนน้งตอบไปได้อีกการ เราที่นี้เราจะยกมือขึ้นสองข้างเรากำหนดรู้ก่อนเราจงจะจะยกมือขึ้นเมื่อทำหนึ่งนี้ก็จะเป็นผู้ทำให้เข้าถึงความรู้จักในการวิธีเข้า ว, วิธีออกสมาธิ ใช้ ย, ยกมือสองข้างและทำความรู้อยู่นี่รู้อยู่ทำความรู้ด้วยและทำเห็นด้วยถ้าไม่ไม่เห็นก็ทำกำหนดรู้ถ้าเห็นยังมีลักษณะยังไงนี่ที่ครูวาอาจารย์แนะนำนี้ก็เพื่อจะให้รู้จักตนของตนเราค่อยๆค่อยๆพนมมา ค่ขอยๆพันนมเข้ามาพอมือซ่องข้างในรวมกันแล้วพนนมไปที่หน้าอกของเราที่ใจเราก็ทําใจสบายสบายไปอีกมือสบายเรียบางค้างจะนั่งไหวพระพุทธเจ้าที่อยู่ที่ใจมันจะสบายไปอีก ห้านาทีสิบนาทีก็ได้ถ้าเรายกอีกทีนึงก็เอาวางที่วางคิวแล้วก็ใช้มองดูให้เห็นมือถ้าไม่เห็นก็รู้ก็ออกจากาสมาติมีทุกข์มากมีไม่สุขไม่ทุกข์เราก็จะได้รู้ขึ้น ในคำสอนของพระที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะหยับยั้งให้เทวธรรมเกิดขึ้นในกายใจของเราเสียก่อนแล้วถึงค่อยตายซึ่งค่อยหมดหลอมปรา น, เ, นเรานี่มีทุกข์มากมีไม่สุขไม่ทุกข์ เราก็จะได้รู้ขึ้นในคำสอนของพระที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะหยับยังให้เทวธรรมเกิดขึ้นในกายใจของเราเสียก่อนแล้วถึงค่อยตายถึงค่อยหมดหลมปราณนี่เรานี่ทำหมดหลมเมื่อไหร่ เราก็ต้องออกจากร่างกายเรานี่ปฏิสนธิใหม่ที่นี้เรามาปฏิสนธิไว้เลยเราก็ธรรมะก็เจริญขึ้นธรรมะก็เจริญขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ศรัทธาไม่หวั่นไหว แล้วนิวรห้านิดับก็ประกอบด้วยองค์ห้าและทำให้จำนิํำนาญพระโสดามีปฐมฌาญเป็นต้นเป็นผู้เข้าออกอยู่เป็นเนืองนิดึงเรียกว่าสร้างบานเรือนคงตนรู้จักเรือนคงตนไง จึงอนุภาพนี้จะได้มีกายาโยมทุกคนที่อาตม า, าแนะนำโยมให้เข้าไปรู้พระกรรมฐานแล้วก็จะได้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นความไม่มีตัวมีตนก็จะได้รู้ขึ้น <c oughs> ความไม่เที่ยง คือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของพระพุทธเจ้าหนึ่งถึงท่านเคยเกิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นช้างบ้างสัตว์ทุกชนิดพระองค์รู้เกิดท่านรู้ชาติรูปภพได้ดี เราต้งกรรู้ชาติรู้ภพของพวกเราเราท่านเลิกชาติได้ท่านก็เห็นชาติภพของพวกเราพราะอานิจังโลนีพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเห็นอนิจังแล้วทีน่นี้ท่านจะรื้สัตว์ขนสัตว์หรือแนะนํำรัสสั่งซอดเราให้ได้เป็นพระอริเจ้าในปัจจุบันนี้ เมื่อได้แล้วจึงเรียกเป็นประคุณอันยิ่งใหญ่พระโสดาก็เลือออกเคียชาติก็จะต้องข้าพระในพานพระโสดาก็ปุ้งปิดอบายภูมิหมายการว่าเปรตก็ดับสัตว์เดือดชาติก็ดับนรกก็ดับจึงเรียกว่าปิดอบายภูมิไ ทั้งมนุษย์นี้กดับก็จะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยมียานมีความรู้ขึ้นเทวโลกเป็นที่อาศัยของผู้ปฏิบัติรู้แจ้งขึ้นทีนี้ศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวที่นี้ก็จึงเรียกว่าประกอบในองค์ห้ายามทัศนะเกิดขึ้นกระลร กับผู้ปฏิบตัติที่นี้เรมที่มาทมกันเนี่ยที่แนะนำกันเนี่ยเพื่อจะได้ได้ผลในปัจจุบันนี้แหละเพราะเราจะพยายามขี้เกียจขี้ครานกันเลยพยายามตัดเอาความขี้เกียจขี้ครานออกทําง่้ยวเงาของนอนนี่แหละมันปิดชาติพบของเราไม่ให้รู้ความเป็นจริงได้ เพราะอันนี้แหละที่เราปิดชากพบของเราความเงงเงาเข้านอนใจหุดหูท้อถอยไม่อยากจะทำความเพียร น, นี่ก็จึงประกอบด้ยวยองค์ห้าไม่ได้ที่ละองค์ห้าและประกอบด้ยวยองค์ห้าหมายการว่านิวรห้านิดับ อิเล ส, สมานขันสมามมมนมัตจุมานคือตัวนิวรหานี่เองมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพอนิวรหาดับวิตกก็เกิดขึ้นวิจารพิจารณาองค์ธรรมก็มีขึ้นปีติก็เกิดขึ้นสุขก็มีขึ้นเอกระาก็เกิดขึ้นจรจึงเรียกว่า ทำนี่เกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วเมื่อเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติยังไม่รู้จะต้องอาศัยถามไทยครูบาอาจารย์ว่าจิตมีลักษณะนี้เป็นอย่างไรแล้วครูบาอาจารย์จะได้และแนะนำต่อไปในการที่ลุกสิกที่ฝึงนั่งจิตนิวอนดับแล้ว ก็จะได้รู้ขึ้นเนี่เมื่อรู้แล้วก็มีศรัทธาไม่หวั่นไหวและอันนี้จึงเรียกว่าเข้าถึงพระศาสนาของสมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่เราจึงว่าศัจธรรมของพระองค์ก็เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติถึงว่าเออบอิ่มกายใจ ที่เราได้ปฏิบัติได้และรู้ได้และเห็นได้จำเพาะตนทีนี้เมื่อเราเรากลับบ้านแล้วก็ไปทำ ม, มาอีกที่ยังครูบาอาจารย์สอนเวลา น, นอนก่อนนอนเราก็นั่งกรรมฐานสักห้านาทีสิบนาที เมื่อจิตมีสมาธิแล้วอาจจะถึงสิบห้านาทีหรือชั่วโมงก็ได้เพราะมันก็เดียวเดียวพอจิ ต, เ ข, จตเข้าถึงสมาธิแล้วจิตเข้าถึงสมาธิแล้วศรัทธาก็แรงกล้าขึ้นว่าทมนี้เป็นเครื่องอยู่ของเรามี่ทั้งขาดก็ปรุงแต่งไม่ได้กิเลสจะมาขัน จมันก็ดับไปนี่แล้วทีนี้เราก็จะศรัทธาก็ได้แรงกล้าขึ้นนะพยายามฝึกปนเราการแก่การเจ็บก่อนตายเนี่ยมันมีทุกอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งอ่ะมีแต่พึ่งพระพุทธธรรมพระทรงที่เราใ น, นนั่งสอบกันเดี่ยวนี้ทีนี้เมื่อ พวังขจิตแล้วทำให้เกิดขึ้นแล้วมรคจิตเกิดขึ้นในรวังแล้วจากขู่สัมผัสความมีหน้าที่เห็นโตสตสัมผัสหูมีหน้าที่ได้ยินคานะสัมผัสมีหน้าที่รู้กลิ่นชิวหาสัมผัส มีหน้าที่การลินรถมโนสมัมผัสวิญญาณมีเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในสภาวะภายในที่มโนวิญญาณมีหน้าที่ความรู้สึกอย่างนี้เพราะอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยนิวอนห้าดับ รล่วถึงจะประกอบดอได้องห้าได้และนี้ความความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นอนุภาพในก็จะเกิดมีขึ้นกับเราเรากรรมฐานเนี่ยทาให้เหมือนกันว่าเหมือนเราจะบริโภคข้าวนำอยู่ทุกวันนี้แหละถ้าว่าไม่บริโภ ชีวิตเราก็ต้องดับแน่เราบริโภคเพื่ออยู่ไปวันวั น, น, นที่เราทำพระกรรมฐานอยู่นี้ก็เพื่อจะทำตัวเองให้เป็นพระอริเจ้าแล้วเราก็จะได้หมดทุกข์กันสถีนี่แหละเป็นผู้แต่งใจเป็นผู้แต่งใจ เ้า แ, แต่งกายด้วยทั้งว่าเรารับฟินเวระมณีคือต้องรักษาหูตาจมุกลิมกายใจเวระมณีมณีอยู่ที่แก้วตามณีแก้วมณีอยู่ที่แก้วตาพอแก้วตาเกิดพอ ล้วขัดสีมณีคือเพชรที่แก้วตาเดียมีแก้ววิเศษเราขัดสีแล้วเกิดความสว่างสวัยขึ้นยังในยถาบอกว่าควรยินดี้ายาตโยมคือบ่มอินทรีคือหลับตาบ่มอินทรี แล้วเกิดความสว่างเกิดขึ้นแล้วทําความรู้สึกความเห็นขึ้นแล้วยังอีกจึงเรียกว่าแก้ววัตถีเราคัดสีให้สว่างสวัยขึ้นมาแล้วจึงเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมอัตมากล่าวอย่างนี้นั่งสมาธิกันทุกๆุกคนถ้ามีความสว่างเกิดขึ้นแล้ว ขอให้ญาติโยมทำความให้สว่างบ่อยๆแล้วก็จะดาจะได้หมดความมืดความมืดก็ไม่มีขึ้นกระราจึงเรียกว่าญาณทัศนาวิสุทธิก็มีขึ้นกระดาถึงโอภาษหรือแสสว่างเกิดขึ้นแล้วนั่งทำใจสบายสบาย รู้่ากายปวดเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถซะทีนี้ทุกขเวทนาทางกายก็ดับสุขเวทนาก็เกิดขึ้นอย่างนี้ให้รู้อยู่ทุกขณะเลยให้รู้ของเรื่องความเกิดดับของรูปงามรูปนามที่ปฏิบัตินี้คอไปรู้เห็นความดับ มีความสุขอย่างไความเกิดมีทุกข์อยู่อย่างไทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเนี่ยจะต้องวางหน้าแข็งข้าไว้ให้เหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละไม่ให้โกมหน้าและไม่ให้เงยหน้าถ้าเงนหน้ามากกระเดียกจะง่ายลังถท่าโกมน้ามากสมาธิเกิดจะเห็นเป็นลุ่มเป็นบ่อไง แล้วหนึ่งว่ากลมมากจะมีการปวดหัวหรือทีแต่ถอยพอสมาธิไม่ถูกแบบแล้วต้องสนใจให้มากในขังเนี่ยที่เราเกิดมาในประเทศไทยเนี่ยแห่งห้องประกายปิดกของเราและธรรมะปิฎก ก็ได้เกิดมีขึ้น่งกระเราถือตาไม่บอดหูไม่โนกไม่ใบบ า, บาเสียจริตในพระกายพิดกสมบูรณ์พระกายวิดกสมบูรณ์เพงให้รู้ว่าพระกายวิดกไม่ได้ไปอยู่ในหัวสมุขพระกายวิดกอยู่ที่กายใจของเรา นเมื่อเราเปลี่ยนอริยาบทแล้วที่อริยาบทจะปิดบังเพราะรัมมาได้กําหนดพอทุกดับไปไม่ได้กาหนดสุขอย่างนี้แหละปิดปิดบังอริยาบทต้องให้รู้จักทุกให้รู้จักสุขอย่างนี้แต่เรียกว่าอริยบทนี่ละเป็นที่จะบรรทาทุกข ที่นี้มือปีติในสมาธิมีลักษณะหนึ่งคนของสยองกล้าวเกิดขึ้นนักปฏิบัติพึ่งรู้ว่าปีติเกิดบางครั้งปีติจะมีกายเบานี่เรียกว่าปีติแล้วผู้มณสิการให้มาก ทำให้มากขึ้นแล้วก็จะมีความรู้ขึ้นว่านี่ปิตเกิดขึ้นกับเราแล้วทีนี้เราก็มีสติสมัมปชิญญะประคองไว้ประคองไว้เท่าลืมตาแล้วหลับต า, าไปใหม่กายก็ยังเบาจิตก็ยังเบาอยู่ ทีนี้ก็รักษาอารมณ์ชนิดนี้ไว้ให้แก่กล้าขึ้นหนักข้าวเราก็จะทำนั่งอยู่กว่าเห็นนอนอยู่กว่าเห็นเห็นตัวเองนี่แหละบางคนมีโอภาสสว่วงเกิดขึ้นและแต่กระดูกสันหลังก็สามารถจะนับ ที่นี้เมื่อเรานั่งนั่งนานแล้วเราก็ชายยืนยืนมากถ้ารองรางเราเขานอนไม่สามารถจะนั่งอยู่ได้ลุกขึ้นเดินจุกกรมลุกขึ้นเดินจมกรมสลบดดีเราก็เดินไป ในปฏิปทาตรีเนี่ยบางคนลุกจกักจัรุในวิธีนั่งบางองค์จกักจัรุในวิธีในการเดินแล้วบางองค์จักจัรุในการกำลังเดินจุ ก, กรมที่หน้าเดินจงกรม เรือจะเดินไปไหนก็ตามอย่าไปสู่อาหารของเราเราจะทำอินทรีย์ตงสมบรมระวังหรือข่าควาพุทธสายโทข่าควาพุทธสายโทก็ได้ในจึงเรียกว่าเป็นผู้สร้างสติให้ชำเนิชํำนานที่เนื้อมือ ขาขวาออกก็พุดขาซ้ายออกก็โทเมื่อเราทำเป็นอารมณ์ติดต่ออยู่เราก็จะเป็นผู้ทำให้ใจเฉลียวฉลาดได้กนีกายกับใจจะให้มันร่วมกันอย่าให้มันร่วมกับก่องรู ขึ้นหมโปวดเมื่อยเห็นรู้นี่นี่ทางนำตาที่นี่นั่งทางน้ำำ่งตาไม่สบายใจนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจแล้วพยายามมาลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากแล้วความ ทุกทางใจก็จะดับไปสุขทางใจก็จะเกิดขึ้นสมมนัดความความดีใจโทมนัดความเป็นทุกข์ใจนเรื่องทางใจไม่เกี่ยวทางกายสองอย่างนี้นักปฏิบัติควรจะต้องรู้จะต้องรู้ต้องเห็นกายกำเริบกำหนดรู้ ใจกำเกริบกำหนดรู้รู้รู้เฉยรู้เฉยรู้เช ย, ชยอันนี้รจะเข้าถึงขั้นวิมุตตความลุดพ้นจากอารมณ์โลกนี่ทัศนนะก็ดีขึ้นนี่ทำเพยังไม่รู้ก็ทำขึ้นรู้แค่เมื่อยแค่ปวดก็ดีแล้ว นี่รู้จักทุกเห็นทุกปฏิบัติเพื่อดับทุกขพระเปลี่ยนเอียบทก็ทุกก็ดับไปเมื่อเราทำบารมีนิแก่กลา้าดนกเข้านะเข้านะเข้าเราก็จะเป็นพระริเจ้าในวันข้างหน้าไปบ้านก็ทำด้วยทำพุทโธอุดลมเข้าโธลมออกอุดลมเข้าโธลมออก ทำพุโทโธให้เบิกบานใจทำธรรมโมให้เบิกบานใจทำสังโฆให้เบิกบานใจนี่ทำทำให้เป็นอารมณ์พอเราเป็นขุนแก่แล้วอ ม, มีเพียรมีมันให้มากชาติภพก็จะได้หมดไปสิ้นไปในมโนวิญญาณเนี่ย เท่าเคลื่อนไหวในมโนวิญญาณเรามีสัมผัสในมโนวิญญาณเราก็ชชยอยู่กับองค์นี้แหละองค์ที่มโนสัมผัสนี่แหละเราก็จะเข้าถึงธรรมะได้รวดเร็วทีนี้เมื่อเรายืนอยู่เราก็จะรู้ในความเรายืนหลังองค์ก็ยืนําเป็จ สำเร็จในการวิธียืนบางองค์ก็สาเร็จในการวิธีเดินจุกลมเดินจุกลมมีสมาธิมีปีติในสมาธิในการเดินการเดินนี้กาจัดนิวรนาตัวง่วงเหงาหนอนยังเดินจุกลมแล้ว ที่คนแก่นั่งก็ไม่ค่อยไหวนอนนอนทากำหนดมีปีติในธรรมะในสมาธิในการนอนจะมีความสุขมากกับคนแก่คนแก่จะทำสำเร็จในการนอนได้ฌานสมาบัติมรรลนิพานจะเกิด ในวิธีในการนอนได้นี่พระนนทเป็นต้นการพรุงสร้างลมขานใจไม่ไวไวเราอยู ค, อค้อนกจะพรุงสร้างเราจะนอนระงับทุกขเวทนาสักน้อยหนึ่งความเพียรมากเกินไปทีนี้ไม่ได้จากปุงสร้างจะไประงับเวทนาหรือไม่พระเอ็นลงนอนท่านั้นเอง ขัวยังไม่ถึงม่อนพระหันมารากฏไม่รู้ตัวเลยนี่ได้แล้วแตกจานรวิธาาณมีทั้งฤทธิ์มีทั้งที่กำลังตั้งอยู่ในจักรยนายขอยรออยู่พระนนที่เดียวนี่